กวาสาวัตถยังวิหารติเจตวานีอนัตตินิจัสอารามีอธิขูอัญต a r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 ในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นลักษณะการให้ทานถ้าหนึ่งใช้คาว่าฉนันคำสอนว่าถ้าผูกพันด้วยตัณหาสันนิเขปโขก็ได้แก่ว่าตังกรัรมมังเขปะตะวาก็แบบเปตวาก็ได้แก่ให้ผลของกรรมนั้นกรรมนั้นสิ้นน่ะสิ้นสิ้นกรรมนะ ถ้ากรรมนั้นหมดก็คือเจตนากรรมที่เป็นเหตุแห่งนำปฏิสนทธิ์ที่มันหมดพอหมดกําลังลงก็แปลว่าปฏิสนทธิี่มันพวางก็หมดกําลังใช่ไหมล่ะพอผวางหมดกําลังก็จุตินี่ก็สินส้นกรรมซึ่งกรรมก็คือผลของกรรมมันหมดกําลังใช่ไหมบอกว่ากรรมบอกพอแล้วท้าพระเจ้ามีเวลามีกําลังส่งท่านแค่นี้ตกได้แล้วก็ตกหมดกําลังใช่ไหมเห็นไหม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 นะไม่มีใครมากําหนดให้เราเลยฉะนั้นจดเจตนากรรมทั้งหลายที่เราฝังไว้ในศาสนาของพระเชษนาเจ้าที่ประเสริฐเนี่ยบุญแล้วเป็นบุญ อ, อันใหญ่หลวงแล้วเนี่ยนะก็ก็ตั้งอัธยาสัยให้ถูกยังไหมว่าฉะนั้นถ้าเรามองนี่เราจะสังเกต จ, จิตได้ว่าจิตมีราคาไหมให้ทานเนะี่ยหรือให้ทานแบบจิตปราศจากราคะนี่จิ ต, ตานุปัสสนาเขา